เพราะรถปิงอัพมันนั่งข้างหลังเวลามันคว่ำจะต้องตายแต่คิดว่าอย่างนั้นเลยจะให้เขาไปบอกอย่าไปเลยเลยจะมาก็บอกกับโทเฟอร์ว่าบอกนี่หนูขอให้เราไปเยี่ยมแพ่สิบห้านาทีถ้าหากว่าเกินกวน่านี้รถเราจะคว่ำที่ยุทาถ้าความทิ่ยญาเราไม่ได้กลับวัดต้องตายที่นั่นถ้าตายแล้วก็หาคนรู้จักไม่ เราจะต้องศกเน่าหรืออาจคนจะไปรู้เข้าก็ใช้เวลานานก็เร่งรัดเวลาขึ้นบอกโชเฟอร์ว่าพอทีผ้าทีเปล่าแกล้ต้องเร่งรีบกลับด่วนตรงนี้เพื่อให้มาคว้าไกลวัดหน่อยตายเขาจะเอาศพเข้าวัดง่ายตองเตรียมการซะก่อนเอาศพเข้าวัดง่ายก็เร่งปล่อยร้อยี่สิบกลับแล้วเจสนวนบอกแอ้หลวงพ่อ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 ต้องแปลชังแรงนัดจึงออกได้พอออกมาได้สบายมากต้องมานอนปวดแสบปวดร้อนหนึ่งเดือนเหมือนพลิกเข้ามาเอามาทาฉะนั้นต้องนอนเข้าเ้อาไปไปโรงพยาบาลบอกไม่ไปาอไยเขานี่นี่คำนาจที่เราต้มเต่าแล้วก็ะลอกปกเปิดหมดเวลาลดชนโน้นชนี้อย่าดืมนะเคยเห็นดาวของวันไหม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 แล้วบอกเอ้เปลี่ยนยังไงล่ะหัวหน้าเสี่ยงสี่สิบ้าแล้วลจริงจะให้ยาโยมผู้หญิงมาอยู่กรรมฐ า, านกันหนึ่งเดือนแล้วให้กลับไปให้โยมผู้ชายมาอยู่บ้านเรากะได้กับเวลาพอดีโยมผู้หญิงมาอยู่เดือนกลับมปโยมผู้ชายก็เข้ามาเหลือสามวันขอหับเพื่ออะไรโยมผู้ชายมาอยู่เขาจะเอาศพเข้าวัดแล้วโยมผู้หญิงจะได้เตรียมทําครัวงานศพแล้วต่อไป ต้องมีโครงการตายเลยจะมาก็มานึกดูว่าไม่เสียใจไม่เสียใจอย่างนี้นอนต้องตายเนี่ย14ตุลาแล้วเวลาเที่ยงสี่ภาคจดตรงไหมแล้วเราก็ตรงพอดีในวันที่14ตุลา2521ในแพทย์ต่างๆที่โรงพยาบาลศิลราชมาถวายเพลที่วัดนี้ในแพทย์มาก็เยกชจง มาทำบุญที่นี่เพราะคนสิงห์บุรีก็ไปพาเพื่อนพี่แพทย์สิญาตมามาเลี้ยงเพจที่นี่พอเดตามามีความจาเป็นก็ต้องเดินทางวันนั้นเพราะอะไรท่านจ้กคุณธรรมยานมุน่อวเจ้าวาดวัากุวิศาลามเจ้าในากอุงรูบลีที่จะมีโรงเรียนวินิศึกษาที่รูบรีนี่เองท่านก็ข อ, อนีมรตามามไปประชุมไปสังเกตการไปหาความรู้พราะประชุมเจ้าคณะเพอของท่าน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 ที่ทำงานบริษัทมหาคุณเตชะภัยบูรณ์นะเจ้าคุณนี่เตชะภัยบูรณ์แล้วเคยมาที่นี่เหตุใดจึงมีพระพุทธเจ้าหลวงอยู่ตรงนี้มาต้องมีเหตุมันจะมีผลอาตมามาอยู่ที่นี่จาววาดวันนี้สามสิบปีแล้วมาอยู่ปีใหม่ๆบ้านนี้ไม่รู้ของดี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 อยู่ที่ท้ายรถเรารถพลิกอั้นไม่มีเัอกไม่มีเลค่าพอชนป้องไปยังไงนาวาตีนี่เลยขึ้นหลังรถทัวร์ไปเลยลงทางโน้นเลยใช่ไหมแล้วก็คนที่ตลาดปาก บ, บางเนี่ยเขาก็น้ามันท่วมเขาจาเป็นจะต้องมาปลูกร้านค้าตามถนนเขาเห็นชัดเขาก็บอกว่าเนื้อว่าหนังสือพิมพ์ปลิวหสือพิมพ์แหลกโคนมันไว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 แล้วต่อมาก็ไปแองแงคอหักพับได้หมุนได้ทันทีคอหักแล้วก็ไลนี่นะชนไอ้ข้างรถเนี่ยไอ้ข้างๆตรงนี้ขาดไปเลยเนี่ยขาดไปเลยไอ้กระจกที่ดูคนเนี่ยดูตรงนี้นะขาดเลยเหล็กสองหุนขาดไปเลยโชโฟเฟอร์สลบไม่พูดไปพูดได้โรงพยาบาลแล้วนาวาตรีเนี่ยปลิวลงไปหลังหักแล้วก็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 นี่ร้อยเย็บเนี่ยแต่หมอเขาเย็บดีมาเป็นพระเป็นเนี่ยถกหนังเนี่ยแล้วทีนี้ก็บอกว่าตายไม่หลอดแล้วคอหกักหายเสละแล้วลงเลยฟิล์ยังอยู่นี่อัตมาไม่เนืองในใจอ้าไม่เป็นไรยอมรู้แล้วล่วงหน้าหกเดือนแล้วทำใจได้ใจได้ตอนนั้นยังหายใจทางสเสดออยู่หหยใจได้หมอเขาตกใจว่าเสลยเต็มปากทาไมหายใจยั เลยทีนี้หมอก็บอกว่าให้อเข้าห้องฉุกเฉินด่วนบรษพยาบาลช่วยสายรถรถมีสีล่ล้อและให้นอนลงนอนลงก็ทำตัวกองโลงไม่มีหมอนอาตมาก็มือยกด้วยมือเดียวก็อธิษฐานจิตตั้งโนโมสามจบข้าพเจ้าถ้าหากว่าใช้นี่มนุษย์หมดแล้วนะปัดนี้ขอให้ข้าพเจ้าไปเดี๋ยวนี้อย่าอยู่เลยถ้าข้าพเจ้าใช้นี้มนุษย์ไม่หมด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 เดชะบารมีกุศลทานที่ละภาวนารถตกล่องโครมลูกลอกเลยพังเลยคอเข้ากรอบติดเลยยกแกนยกขาได้เลยเห็นไมเนี่ยได้คนหนึ่งบอกมาหานุก็ตายเลยกลับฟื้นเห็นไหมเนี่ยเลยคนเนบอกแหมเป็นพระอ้วใช่เนี่ยพรอ้วไม่ใสรถตกล่องคงฟื้นไม่ได้มีบุญคุณติดต่อมีบุญคุณนะ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 อยบอกใครถึงหูใจเลยเนาะเย็บดิบเย็บดิบเขาบอกเย็บดิบเคยเย็บผ่าตัดไหมลองสิลองเย็บยิบดิบสิหัวถึงหัวใจเลยนะนี่เย็บหมดเลยเนี่ยถกหนังมาถกหนังมาก็เย็บนี่แหละท่อที่เราถกหนังนกนี่เห็นไหมเนี่ยนี้เหลืองจริงพอหน้าเสร็จแล้วเขาให้น้ําเกลืออัตมาก็พริก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 เขาก็หามอตมาขึ si, si. Si, si Pero, ้นรถโรงพยาบาลสิงห์บุร so ีเบิ Von ่งเข้ากรีบอ่ะพอไปถึงแล้วเขาก็หามาตมาอีกหามขึ้นชั้นสองหมอประดิษฐ์จะไปวัดที่ไหนมาทจะให้ศาลยังใส่ชายซุกใหญ่อยู่แกก็มาดูมาดูอตมาที่เตียงเอ๊ะเอาหมอมาเยอะเลยบอกขอหาไม่ตายเลยก็มาดูแกก็ถอดเสื้อเนาอกเข้าเฟือกเอาผ้าแช่น้ําแล้วมาพันๆๆสิบห้านาที